มรรคข้อที่สองสัมมาสังกัปปะองค์มรรคข้อที่สองนี้มีคําจํากัดความแบบทั่วไปตามคำภีร์ดังนี้ภิสูจทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนะในคขมะสังกัปอภยา บ, า ส, บ า, าสังกัปอวิหิงสาสังกัป นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกิยะและระดับโลกุตระดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นชนหนเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันอย่างหนึง่งกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึง่งสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะคือเนคขมัสังกัปอภยบาสังกัปวิหิงสาสังกัปสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะ เปโลกุตระเป็นองค์มรรคคือตักกะความตรึกวิตักกะความนึกคิดสังกับความดำริอปปนาความคิดแนบแนว่วพยัปปนาความคิดปักแน่นแฟนความเอาใจจดจ่อลงวจีสังขารของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไรอสาาวะมีอริยมรรคเป็นสมังคี ผู้กำลังเจริญอริยามากอยู <T ar ic> ่เพื่อรวบรัตในที่นี้จะทำความเข้าใจแต่เพียงคาจำกัดความแบบทั่วไปที่เรียกว่าเป็นขั้นโลกิยะเท่านั้นตามคำจำกัดความแบบนี้สัมมาสังกฑฑัปปะคือความดาริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องตรงข้ามกับความดาริผิดที่เรียกว่า มิจฉาสังกับปะซึ่งมีสามอย่างคือ 1. กามสังกับหรือกามวิตกคือความดำฤริที่เกี่ยวข้องกับกามความนึกคิดในทางที่จะสแสวงหาหรือหมกมุ่นผวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าหรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทานต่างๆความคิดในทางเห็นแก่ตัว เป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะหรือโล 2. ภะ 2. พยาบาทสังกับหรือพยาบาทวิตกคือความดาริที่ประกอบด้วยความขัดเคืองไม่พอใจเกียดแค้นจริงชังคิดเห็นเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจ เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบซึ่งตรงข้ามกับเมตตา 3. วิหิงสาสังกับหรือวิหิงสาวิตกคือความด âm ฤตในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายข่มเหงตัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งลุกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อน เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทรศัพท์แง่จะไปกระทบซึ่งตรงข้ามกับกบรุณาความดําริหรือแนวคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากเพราะตามธรรมดาเมื่อปุถุชนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการเห็นได้ยินเป็นต้นจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือถ้าถูกใจก็ชอบ ติดใจอยากได้พัวพันคล้อยตามถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ชอบขัดใจขัดเคืองผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์จากนั้นความดํารินึกคิดต่างๆก็จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบนั้นด้วยเหตุนี้ความคิดของปูุ้ชนโดยปกติจึงเป็นความคิดเห็นที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝงชักจูงทำให้ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองล้วนลวนความนึกคิดที่ดำเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องพัวพันเอียงเข้าหาก็กลายเป็นกามวิตกส่วนที่ดำเนินไปจากความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิปักมองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตก ที่พุ่งออกมาเป็นความคิดลุกรานคิดเบียดเบียนกลั่นแกล้งคมเหงลั่นล่าทำลายก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทำให้เกิดทัศนคติหรือเจตคติต่อสิ่งต่างๆยังไม่ถูกต้องความดมริหรือความนึกคิดที่เอียงเอียงทัศนคติที่บิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะการขาดเยนิโสมนสิการแต่ต้น คือมองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินปรับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุนโดยขาสติสัมปชัญญะและปล่อยความนึกคิดให้ล่นไปตามความรู้สึกหรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวนำไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะและความคิดสืบสาวสอบค้นเหตุปัจจัยตามหลักโยนิโสมนสิกานโดยในยานี้มิจฉาทิฏฐิ คือความเข้าใจผิดพลาดไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกับปะคือดำรินึกคิดและมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนและมิจฉาสังกับปะนี้ก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปอีกองประกอบทั้งสองคือมิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกปะจึงส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางตรงข้ามการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามที่มันเป็นได้จะต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งหมายความว่าขณะนั้นความนึกคิดความดำริต่างๆจะต้องปลอดโปรง่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจความยึดติดผัวพัน และความไม่ชอบใจปลักแยง้งเป็นปฏิปักษ์ต่างๆด้วยข้อนี้มีความหมายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับในฝ่ายมิชานั่นเองโดยในยะนี้ด้วยการมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงมีสัมมาสังกัปปะคือดารีเนื้คิดและตั้งทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่เอียงเอียงยึดติดหรือผลักย้งเป็นปฏิปักษ์เมื่อมีความดารีเนื้อคิดที่เป็นอิสระจากความชอบใจไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้ จึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากนั้นองค์ประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและการหมุนเวียนต่อไปท่าทีของจิตใจอย่างนี้พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูงจะกลายเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการใช้ความคิดยังได้ผลอาจได้มีความหมายเป็นการนิ่งเฉย ไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างที่มักเข้าใจกันไม่แต่เรื่องนี้จะได้อธิบายต่อไปข้างหน้าในภาวะที่จิตมีโยนิโสมนสิการจึงมีความดมริตรรึกนึกคิดซึ่งปลอดโปรง่งเป็นอิสระปราศจากความเอียงเอียงทั้งในทางผูกติดและในทางผลักขัดตรงข้ามกับมิจฉาสังกัปปะเรียกว่า สัมมาสังกัปปะมีสามอย่างเช่นเดียวกันคือหนึ่งเนคขมมาสังกัปคือเนคขมวิตกหรือความดาริที่ปลอดจากโลภะความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยากต่างๆความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความคิดเสียสละและความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง จึงเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะ 2. องอภัยาบาสังกับหรืออภัยาบาสวิตกคือความดําริที่ไม่มีความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังหรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมะที่ตรงข้ามคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดี ความมีไมตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 3. าอาวิหิงสาสังกับหรืออวิหิงสาวิตกคือความดําริ์ที่ไม่มีการเบียดเบียนการคิดทำร้ายข่มเหงหรือทำลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมะที่ตรงข้ามคือกรุณา ซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกันเนคข ม, มะเท่ากับอโลพะเนคข ม, มะธาตุเท่ากับกุศลธรรมทั้งปวงอัพยาบาทธาตุเท่ากับเมตตา อวิหิงสาธาตุเท่ากับเกาุนา